Book 2 93ก้าสิบสามทร e อ um. a นเดเวอร์เซนุประโยคใช้เชื่อม odvisni stauki zali ฉันไม <pers i> ่ทราบว่าเขารักฉันหรือไม่ นเนวิมอาลิเมลิโอบฉันไม่ทราบว่าเขาจะกลับมาหรือไม่ n e v ิ m อาลิเซโบเวอรวฉันไม่ทราบว่าเขาจะโทรมาหรือไม่ ne v ิ m อ l i m e b o p o ปคลีโตเขาอาจจะไม่รักฉันก็ได้ ออลเขาอาจจะไม่กลับมาก็ได้ออลิโบปริเเขาอาจจะไม่โทรมาหาดิฉันก็ได้าอ l i ิเมโบโพคลีโต้ ด, ดิฉันสงสัยว่าเขาจะคิดถึงดิฉันไหมสยัม ดิฉันสงสัยว่าเขาจะมีคนอื่นไห ม, ม, ไหมดิฉันสงสัยว่าเขาพูดโกหกเขาอาจจะคิดถึงฉันหรือเปล่า ออลีสปล็อกมิสล เ, เขาอาจจะมีคนอื่นหรือเปล่าออลีอีมา k ั o ชโนดรเขาอาจจะพูดความจริงก็ได้ออลีสปล็อกโกฟอรีเร o ฉันสงสัยว่าเขาจะชอบฉันจริงๆหรือไม่สวิ dame i m a าเซริสราฉันสงสัยว่าเขาจะเขียนถึงฉันหรือไม่ด e วโอมิมดามีโบพีเซลฉันสงสัยว่าเขาจะแต่งงานกับฉันหรือไม่ดิวโอมิมดัสเซโบพูโรชิอุสมาโเขาจะชอบฉันจริงจังไหม Ali me ima zares r สร k a ์เขาจะเขียนมาหาฉันไหม Ali ิม i โ o พิเซลเขาจะแต่งงานกับฉันไหมอ sebo poro ป i ชิ m a n o